ศึกษาพระพุทธคุณโดยเฉพาะพระปบพัทจริยาคุณเนี่ยนะทำให้เรารู้จักธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเปรียบถึงการเรียนต้นโพเนี่ยนะจะเห็นต้นโพนะเมื่อเห็นต้นโพนี้การเรียนจริยาปิดกนั้นถือเหมือนเรียนเรื่องรากโพเนี่ยนะเรื่องรากของต้นโพ ตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับการเพรา ะ, มะเมล็ดพันธุ์โพนนเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นรากก็เริ่มหยางลงนนรากทั้ง10ประการก็หยางลงรากคือทานรากคือศีลรากคือเนคคัมมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและอุเบกขารากแต่ละอย่างก็ได้หยางลง นี่รากแต่ในอย่างที่ยังลงสู่พื้นดินเนี่ยนะรากเหล่านี้ถามว่ายัางลึกแค่ไหนบอกว่าลึกตลอดสียองไขแสนกับแล้วลําต้นแห่งต้นโพนั้นสูงแค่ไหนบอกว่าสูงจนถึงโล ก, กุตระสูงทนโลกนเนี่ยพันร่มเงาของต้นโพนั้นครอบคุมครอบคลุมโลกทั้งสามโลกทั้งกาลมาโลกรูปประโลกและรูปประโลก ในรากแต่ละอย่างนี่ก็ถือว่าเป็นรากแก้วที่มั่นค ง, งนะโดยที่อาศัยตัวที่หลอเลี้ยงลำต้นอันนี้คือกรุณาการุณานี่เป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานที่ทาให้รากแต่ละรากนั้นมั่นคงถ้าหากว่าไม่มีกรุณารากของต้นโพต้นนี้ก็คงไม่แข็งแรงและไม่มั่นคงแต่เนื่องจากว่าการุณาเนี่ยเป็นเหมือนกับวัคซีนอันตรายใดๆก็ไม่สามารถ ทำลายศีลทำลายกุศลธรรมของพระองค์ได้ฉนั้นกุศลธรรมที่พระองค์ได้สมาทานประพฤตินะไม่ว่าจะเป็นทานศีลทานศีลของพระองค์ก็ทําด้วยเรียกว่าอะไรนะทำด้วยความแข็ ง, แ, ขงแรงบากบั่นและมั่นคงอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าในโลกนี้เนี่ยนะในโลกนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยอุปสรรคแล้วก็เต็มไปด้วยอันตราย โดยเฉพาะอันตรายในการเจริญกุศลเนี่ยมีมากเหลือเกินอันตรายต่อการให้ทานก็มีมากอันตรายต่อการรักษาศีลก็มีเยอะอันตรายในการเจริญเนกขมมะ ก, ก็ไม่ใช่น้อยที่จะรักษาประพฤติกุศลให้เป็นไปอย่างต่อเ น, นื่องอันตรายของสติอันตรายของปัญญาอันนี้ก็ยิ่งมากมายอันตรายต่อความภาคเพียร น, นี่ก็มากเพราะว่าหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ย เพียรเจริญอกุศลเพียรละกุศลโดยอัธยาศัยของเขาวันโลกนี้ก็ถือว่าเต็มไปด้วยอันตรายทั้งการทำบา ร, รมีทั้งหมดทั้ง10ประการที่พระองค์ได้ทรงกระทามาในอดีตกาลนั้นถ้าหากว่าเป็นคนที่ขาดความมั่นคงจริงๆคงทำได้ไม่ตลอดสายแต่เนื่องจากว่าเป้าหมายที่ชัดเจนนนะตามปฏิญญาทั้ง7ประการเนี่ยปฏิญญาทั้ง7ประการนั้นถือว่าเป็นปฏิญญาที่มั่นคงมาก เป็นการปฏิญาณที่เป็นสัจจะบารมีนะนะเป็นสัจจะบารมีว่าพุโทโธโพธยังเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าการุณาไม่มั่นคงจริงๆ ก, ก็ยากที่จะเป็นไปได้เพราะนนั้กรุณาที่ทนไม่ได้ต่อผู้อื่นเขาเป็นทุกข์ทนไม่ได้ที่สัตว์อื่นเป็นทุกข์กรุณาอันนี้แหละที่ช่วยประคับประคองบารมีใน พูดถึงฉันทะของผู้ที่ปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านมีฉันทะมีจิตใจที่บากบัน่นหรือมีความเต็มใจมีความพอใจในการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่แรงกล้ามากแรงกล้าถึงขนาดว่าอุปสรรคขนาดไหนท่านก็ยอมสู้สู้ยอมสู้ยอมอดยอมทนทุกอย่างในอุปสรรคเหล่านั้นเนีย อุปสรรคในโลกเนี่นนะมันมากเหมือนอะไรมากเหมือนกับว่าใครที่อยู่กรุงเทพรถติดเนี่ยย่อมว่าไปยากไหมเขาบอกว่าถ้ารถติดเนี่ยนะจะไปไหนก็ถือว่าไปยากฉันได้อันนี้พูดแบบสมัยคนกรุงเทพกก็บอว่าไปไหน ไ, ไปยากกับเพราะรถติดนี่แหละแต่ถ้าพูดแบบโบราณเขาไม่เข้าใจหรอกโบราณเขาบอกว่าเหมือนอย่างว่าถ้าจะลุยแหวกกอไผ่ ที่รกที่ชัดไปด้วยน้ําเกาะน้ําเกี่ยวทั้งหมดเนี่ยนะไปยากยิ่งกว่ารถติดอีก น, นะนะเพราะว่าพวกน้ํากาะไผ่ที่มันรกชัดมันเกี่ยวมันประสาน น, นะนะแล้วที่ใดที่เต็มไปด้วยน้ํารกชัดที่นั้นอย่าคิดว่าไม่มีสัตว์ ร, ร้ายก็เต็มไปด้วยสัตว์ ร, ร้ายเป็นต้นทีนี้ที่จะต้องแหวกอย่างนี้นะเพื่อที่จะออกจากจั ก, กรวาลไม่ใช่แหวกแค่สักกิโล2กิโลเมตรเนี่ยนะไม่ใช่ แวกเพื่อที่จะข้ามออกจากจั ก, กรวาลพระองค์เนี่ยบำเพ็ญบารมีก็ฉันนั้นเพราะว่าจะต้องแหวกอยู่ตลอดเวลาแวกจากความเห็นขัดแย้งของต่อสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีใจที่น้อมไปเพื่อตรีพระองค์นี่ก็แวกเพื่อที่จะให้สัตว์ทั้งหลายถือว่าการให้ทานไม่มีผลพระองค์บอกว่าให้ทานมีผลสัตว์ทั้งหลายบอกศีลไม่จาเป็นมหาภูติรูปสิจําเป็น พระองค์ก็แหวกความเห็นที่มันตรงกันข้ามออกไปสัตว์ทั้งหลายบอกว่าการเจริญกุศลธรรมเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นพระองค์บอกว่าจําเป็นนะสัตว์ทั้งหลายบอกกุศลเจริญยากพระองค์บอกว่าเจริญได้เนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายบอกอกุศลไม่มีโทษพระองค์บอกมีโทษซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเห็นที่ขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาเพราะหมู่สัตว์ทั้งหลายที่รบชัดเหมือนกับกอไผ่เนี่ยนะเหมือนกับกอไผ่ที่เป็น เป็นล้านๆกรเนี่ยนะเป็นความเห็นที่ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาพระองค์อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทั้งหมดแล้วเจริญกุศลได้อันท้าหากว่าคนที่ไม่มีความบากบัน่นมั่นคงไม่มีความเข้าใจไม่มีปัญญาอย่างแท้จริงทำไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่ามันขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาอันพื้นฐานของพระองค์เนี่ยนะบารมีแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ทาน้อยคนนักที่จะอนุโมทนาเนี่ยนะน้อยคนนักที่จะอนุโมทนาหรือ มีศรัทธาถามมารู้ได้ยังไงว่าน้อยคนที่จะมีศรัทธาน้อยคนที่จะเลื่อมใสก็ดูจากการศึกษาพระธรรมเหล่านี้สิเป็นคัมภีร์ที่ถูกลืมเนี่ยนะเป็นคำพีเป็นตำรับตำราที่ถูกลืมเพราะว่าเขาไม่อนุโมทนาเมื่อเขาไม่อนุโมทนาก็คิดว่าไม่คู่ไม่ควรค่าต่อการศึกษาไม่ควรค่าที่จะเอาอะไรนะไม่ควรค่าที่จะไปเปลืองจิตเปลืองใจรับรู้เขาว่ากันเสียเวลาที่จะต้องไปได้ยินได้ฟัง บางพวกก็บอกว่ามันไม่ค่อยลึกซึ้งเขาบองั้นนะเขาเขาบอกว่าไม่เห็นลึกซึ้งอะไรเลยง่ายๆมันก็เลยพระธรรมเหล่านี้ก็เลยเสื่อมไปคนทั้งหลายเมื่อไม่รู้จักปุพพะจริยาคุณไม่รู้จักคนที่พระองค์บำเพ็ญมากว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไม่เลื่อมใสในเหตุจะเลื่อมใสในผลคือความเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไร เมื่อไม่เลื่อมสายในผลคือการตรัสรู้ของพระอ ง, องค์ก็เลยไม่เลื่อมสายในสัตว์ปการ ะ, าระคือสิ่งที่พระองค์ทำเพื่ออุปการะแก่สัตว์อื่นคือคำสอนก็เลยไม่เลื่อมสายในคำสอ น, สอนที่ไม่เลื่อมสายในคาสอนก็เพราะว่าไม่รู้จักพระพุทธคุณที่ไม่รู้จักพระพุทธคุณก็เพราะไม่รู้จกักปกพระจริยาคุณไม่รู้ต้นเหตุที่กว่าจะได้เป็น พระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์บอกว่าบารมีทั้งหมดที่พระองค์ทํามาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําโดยที่ได้มาโดยยากแลกด้วยเนื้อเลือดสรีระและชีวิตเนี่ยนะแลกด้วยน้ำตาบางั้งเถิน้ำตาท่วมหน้าไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ก็สู้ทนเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นขันติบารมีของพระองค์มาดูในจริยาปิดกุกรุธรรมจริยาหน้า69สข้อส พระองค์เล่าว่าเนี่ยนะเล่าให้พระสารีบทฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อเราเป็นพระราชามีมีนามว่าธานัญชัยอยู่ในอินทปัตฐบุรีอันอุดมประกอบด้วยกุศลกรรมบท10ประการเมืองอินทปัตฐบุรีเนี่ยนะก็คืออยู่ในแคว้นกุรุเนี่ยนะอยู่ในแคว้นกุรุ พระองค์ก็เป็นพระราชาที่ประกอบไปด้วยกุศลกรรมบท10ประการหรือเป็นพระราชาที่ประกอบไปด้วยบุญยักิริยาวัตถุ10ประการในการครั้งนั้นพวกพราหมณ์ชาวกาลิงครัตได้มาหาเรามาขอพญาคดจสารทรงคือขอขอช้างพระที่นั่ ง, งน่ะแหละปราณั้นแนหะแม่ก็จะนั่งอยู่ตรงไหนเขามาขอเก้าอี้ตรงนั้นแหละประมาณนั้นนะอันนี้หนักกว่านั้นนะไม่ใช่แค่ขอเก้าอี้นีขอช้างทรงเลยแหละ เป็นช้างที่ประกอบด้วยมงคลหัตถีกรวาวานะวิธีขอวิธีขอเขาก็ขอว่าชนบทฝนไม่ตกต้องฝนไม่ตกเลยเมื่อฝนไม่ตกก็เกิดทุกพิกระไพข้าวอดอยากนะอดอยากอาหารมาก้าอาหารไม่พอที่จะอยู่กินได้ขอพระองค์จงทรงพระราชทานพระยาคชสารตัวประเสริฐมีสีกายสีเขียวชื่อว่าอัญชนะเถิด อันชนะก็คือสีเขียวเนะีเป็นช้างสีเขียวงดงามมากก็เลยคิดว่าเขาเชื่อว่าบ้านเมืองใดที่มีช้างแบบนี้บ้านเมืองนั้นฝนจะตกนะน่ะาก็เลยมาขอช้างพระเจ้าทานญชัยพระเจ้าทานญชัยก็คิดว่าการห้ามยาจกทั้งหลายที่มาถึงแล้วไม่สมควรแก่เราเลยไม่สมควรเลยที่เราจะไปห้ามเขา ยาจกก็คือผู้ข อ, อานะการที่ผู้ขอมาถึงเราเนี่ยถ้าเราจะห้ามความปรารถนานี้ไม่สมควรกุศลสมาทานของเราอย่าทำลายเสียเลยเราจะให้คดชสารตัวประเสริฐสังเกตดูนะท่านใช้คาว่ากุศลสมาทานของเราอย่าได้ทำลายเสียเลยกุศลเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยลอยอยู่ๆแล้วกุศลจิตก็เกิดขึ้นมาเองไม่ แต่เป็นผลของการสมาทานเหมือนอย่างกุศลศีลทั้งหลายที่เกิดขึ้นได้ที่มารักษาศีลก็เนื่องจากสมาทานศีลมาเมื่อสมาทานศีลมาจึงมีการรักษาศีลฉันใดทานเป็นต้นก็เหมือนกันที่ท่านให้ทานเพราะท่านสมาทานที่จะให้เนี่ยนะสมาทานเนี่ยแปลว่าการถือเอาถือเอาการให้เป็นสาระถือสาระว่าสาระของชีวิตคือการให้ สาระของชีวิตคือการบริจาคสาระของชีวิตคือการเสียสละนั่นเองพันธุ์ท่านตั้งไว้เลยว่าที่จะสมาทานให้ให้อะไรบ้างชีวิตเป็นต้นน่นนะก็สมาทานไว้แล้วว่าจะให้ั้นใครที่มาขออะไรเราเราก็จะให้เพราะเราสมาทานเอาไว้แล้วเราก็ได้จับงวงพยาคตชาสารวางลงบนมือของพราหมณ์แล้วก็หลังน้ํา ในน้ําเต้าทองเนี่ยบนมือได้ให้พยาคตชสารนั้นแก่พราหม์ที่เราจะยกช้างประเค้นแบบแบบเนี่ยของเล็กๆน้อยๆไม่ได้ใช่ไหมก็เลยจับงวงช้างไว้ที่มือพราหม์แล้วก็รดน้ําว่าเป็นการให้ขาดอันนะ้นําที่หยดลงไม่ไม่ติดไม่เยื่อใยฉัน้นใดการให้ของเราก็ให้แบบไม่มีเยื่อใยให้แบบเรียกว่าไม่ติดไม่คล่องให้แล้วให้เลยเมื่อเราได้ให้พยาคตชสารแล้วเนี่ยนะพวกอมาตนะ แผนแคดคานทั้งหลายก็คานฝ่ายค้านก็คานทันทีขนาดของของพระของของพระองค์อยู่แล้วนะไอแผนที่จะขัดก็ต้องขัดอย่างเดียว่ก็เลยกล่าวอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรเนาะพระองค์จึงพระราชทานพยาคตฉสานตัวประเสริฐอันประกอบด้วยทัญลักษณ์สมบูรณ์ด้วยมงคลชนะสงครามอันสูงสุดแก่ยาจก เมื่อพระองค์ทรงพระราชทานคชสารแล้วพระองค์จักเสวยราชสมบัตินั้นได้อย่างไรก็ถือว่า oh. เป็นเป็นเกียรติของบ้านของเมืองมากช้างตัวนี้นะเพราะว่าถือว่าพญาช้างโบราณนี่ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยก็ไม่มีอะไรจะเป็นสัตว์ใหญ่ยิ่งกว่าช้างอีกแล้วตอนที่ไปที่เมืองเมืองอะไรนะเมืองที่มีทัชมาฮาณนะ์เขาก็หรืออ克拉ใช่ไหมหรือที่ที่เมืองกุโรก็เหมือนกันเขาจะมีภาพ ภาพการประาพาสเมืองของพระราชาสมัยโบราณเนี่ยนะที่มีองครักษ์เนี่ยนะที่มีการติดตามคล้ายๆกับสวนสนามเนี่ยนะที่พระราชาเนี่ยขึ้นบนยานช้างตัวประเสริฐขณะที่พระราชาเนี่ยนะประทับอยู่บนยานช้างตัวประเสริฐนี่แหละก็มาขอขอท่านก็ยกให้เลยก็ยกให้มันอมาตย์นี่ถือว่างงเลยนะให้ได้ยังไงถ้าให้แล้วพอองค์จะเป็นพระราชาอยู่ได้ยังไงต่อไปพระโพธิสัตว์ก็ตอบว่า แม้ราชสมบัติทั้งหมดเราก็ให้มาขอสิขอราชสมบัติเราจะให้ถึงสริระของตนเราก็พึงให้ได้ร่างกายของเราเรายังจะให้เพราะสัพพัญยุตยานเนี่ยเป็นที่รักของเรานะสัพพัญยุตยานยานที่ยังรู้อดีตยานที่ยังรู้อนาคตยานที่ยังรู้ปัจจุบันยานที่ยังรู้สังฆตาสังฆตะยานที่ยานที่ยังรู้อนิจจังทุกขังอนัตตา ยานที่ยังรู้ทุกยานที่ยังรู้สมุทัยนิโรธมรรยานที่ยังรู้อัฏฐธรรมนิรุตตปฏิพานะปฏิสัมพิทายานที่ยังรู้อาสาธารณนัยานนั่นยานที่ยังรู้สัพส พ, พยายธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงให้พยาโคจรารนั่นนะพันธุวสัพพัญญุตยานนีเป็นยานที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ถ้าไม่มีสัพพัญยุตยานจะสงเคราะห์สัตว์ได้อย่างไรจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ได้อย่างไรเพราะพระองค์เนี่ยจึงมีสมัญตะจากสุก็คือสัพพัญยุตยานเนี่ยนะสัพพัญย์ความรู้สัพพสิ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เกื้อกูลที่จะช่วยสรรพสัตว์ให้ออกจากวัฏจัเนี่ยนะที่จะช่วยตัวเองให้ออกจากวัฏจัช่วยสัตว์อื่นให้ออกจากวัฏจัต้นเหตุที่จะทําให้บรรลุได้แม้ราชสมบัติก็ต้องให้ แม้สรีระก็ต้องให้เนี่ยนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างถึงบริจาคเนี่ยนะอย่างให้ช้างก็เป็นอะไรน ะ, ะทนะบริจาค ก, ก็คือให้ทรัพย์เป็นทานถ้าให้ราชสมบัติเป็นทานก็รัชบริจาคบริจาครัฐนะบริจาคราชสมบัตินั่นเองอวัยวะบริจาคอังคะบริจาคเนี่ยนะแล้วก็ชีวิตบริจาคบริจาคชีวิตจะป่วยกล่าวไปยายถึงทรัพย์ภายนอกแล้ว น, นะ ก็เหมือนกันอย่างว่านีสัพพัญยุตยานี่นะเป็นยานที่นําออกจากวัตทุกขจานวนว่าถ้าจะทำจรวดออกนอกโลกนะมัวแต่เสียดายเกลืออยู่เนี่ยนะมัวแต่เสียดายเหล็กมันเป็นสําเร็จไหมสร้างสําเร็จไหมไม่สําเร็จหรอกเนี่ยนะมัวแต่เสียดายดินซอปกาที่แหลจริงๆจะสร้างจรวดออกจากอะไรนะเหมือนกับว่าไปสํารวจโลกภายนอกฉันใดนี่ยานที่จะนําออกจากวัตตะเนี่ยนะมัวแต่อะไรอาวรเสียดายนั่นเสียดายนี่มันจะเป็นไปได้อย่างไร แต่การให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคนพานทั้งหลายถือว่าศูนย์เปล่าให้แล้วให้เลยให้แล้วหมดเลยนี่คือจิตใจของคนพานทั้งหลายไม่ได้มองหรอกว่าสิ่งเหล่านี้นะให้เขาก็คือให้เรานั่นแหละถ้าหากว่าไม่ให้สิ่งเหล่านี้แล้วจกได้สัพพัญยุตยานได้อย่างไรก็เหมือนอย่างว่าชาวนาผู้โง่เขลาเสียดายเมล็ดพันธุ์ที่จะหว่านลงในนา ก็เลยอดข้าวเปลือกชั้นใดผู้ที่เป็นคนพ่านทั้งหลายเนี่ยนะก็เราไม่เคยคิดจะให้นี่แหละเราจรึงได้อยู่อย่างนี้นะก็เราไม่คิดแบบท่านเนี่ยเราก็เลยเฝ้าวัดตะอยู่ตั้งนานเนี่ยนะเหมือนเราเก่งใช่ไหมใครที่ไม่บริจาคไม่เสียเงินไม่หมดเงินไม่หมดทองรักษาเอาไว้อย่างดีเนี่ยนะเคยมีเท่าไหร่ก็รักษาได้เท่าเดิมนะฮะมาเพิ่มอีกมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่เคยให้เลยดูเหมือนฉลาดเนี่ยนะตอนต้นเหมือนฉลาดเพราะ ย, ยังรักษาเอาไว้ได้ แต่ทอนท้ายบรมมาโง่ถามว่าทําไมบรมมาโง่อะโง่จริงๆเลยเอ้าของในโลกนี่มันของใครกันแน่เนี่ยเเขาบอกว่าคนเขาสําคัญว่านั่นก็ของเรานั่นก็ของเราจนตัวเองก็ยังไม่ยอมกินเลยบางคนเก็บเอาไว้ชมเป็นสมบัติทางตาทางหูแค่นั้นนหะ ย, ยิ่งสมัยใหม่เนี่ยยิ่งหนักกว่าเดิมนะั้นมีแต่ตัวเลขเขียนแค่ๆแๆๆแค่นั้นก็นึกว่ามีมากที่ไหนได้แทบเดียวไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยนะ ไม่ได้ถามว่าของใครจริงๆเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจอะไรจริงๆแล้วเนี่ยก็เธอถือว่านั่นก็ของเราก็เลยรักษายิ่งรักษายิ่งหมดยิ่งรักษายิ่งไม่เหลือเคยมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้เขามีหนี้สินมากพอมีหนี้สินมากก็บอกเอาเพื่อจะเปลื้องหนี้บางตัวเนี่ยนะที่ถ้าหากว่าไม่ยอมขายที่สักแปลงหนึ่งเนี่ยนะหนี้สินมันจะเพิ่มพูนสมบัตินี่หมดทั้งตระกูลแน่ เพราะฉะนั้นแบ่งที่สักแปลงขายหนึ่งไปเถอะเพื่อที่จะได้ใช้หนี้ได้พวกญาติทั้งหลายก็ทัดทานบอกว่าขายไม่ได้ที่มรดกของกัน้นที่ขายไม่ได้ขายไม่ได้ที่มรดกเพราะฉะนั้นต้องเก็บรักษาเอาไว้ก็บอกว่าไอ้คนที่กู้เนี่ยก็เป็นมรดกยังรักษาตัวไม่ร้องเลยเนี่ยนะใช่ไหมเราทั้งหลายบอกว่าเรารักษาทรัพย์ภายนอกไอ้ภายในเราจริงๆเรารักษาอะไรได้บ้างเออตาของเราก็รักยิ่งรักษาก็ยิ่งชราลงไปทุกที ยักผมเนี่ยดูสิยิ่งรักษายิ่งเป็นยังไงนะเห็นแล้วเศร้าเลยนะหลายคนเขามาบนแบบผมหงอกเต็มทีแล้วเหงือนสิรีระเนี่ยยิ่งรักษายิ่งเป็นยังไงยิ่งดูแลมากๆยิ่งเป็นยังไงแล้วภายนอกล่ะเรายิ่งดูแลมากๆแล้วคิดหรือว่าสิ่งเหล่านี้จะจะอยู่กับเราตลอดไปแล้วความคิดแบบนี้ยังอยู่กับเราตลอดไปไหมตัวความคิดอันนี้ก็เป็นไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนตลอดไปแล้วอะไรหนอที่เป็นสาเหตุให้เกิดการตรัสรู้ธรรม นั้นผู้ที่เขาบําเพ็ญบารมีเนี่ยนะพูดแบบโบราณเขาเรียกว่าการบําเพ็ญสร้างเหตุเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าพูดสัพท์สมัยใหม่หน่อยก็คือการลงทุนเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ถ้ามัวอะไรอววรอะไรจะเกิดขึ้นเพราะนั้นเครื่องประดับก็เหมือนกับ น, นาฬิการเรือนหนึ่งท่านน่ะขายนาฬิกาเพื่อการลงทุนนั้นทําได้ทุกอย่างเพื่อการลงทุนถ้าไม่ลงทุนจริงๆ จ, จ, จะเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือเนี่ย น, นะพระพุทธเจ้าคือเป็นเป็นผลแล้วแม้กระทั่งอะไรนะ เศรษฐีในโลกเนี่ยก็เกิดจากการลงทุนทั้งนั้นแหละนะบางทีลงทุนแทบจะไม่เหลืออะไรทั้งหมดแต่ในที่สุดก็ยังะนะถ้าลงทุนโดยที่ถูกต้องก็ประสบความสําเร็จชั้นใดการลงทุนเพื่อการให้ทานรักษาศีลการเจริญกุศลเนี่ยเป็นการลงทุนที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดพลาดแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องรู้วิธีการลงทุนทั้นถ้ามองว่าการให้ทานแต่ละครั้งคือการลงทุนเพื่อประโยชน์โลกนี้เพื่อประโยชน์ โลกหน้าการค้าขายจริงๆเนี่ยก็มองแค่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เท่าไรใช่หแต่การเจริญกุศลเนี่ยเป็นการลงทุนระยะยาวแต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูระยะสั้นด้วยนะ น, นะ เ, เพราะว่าชีวิตของผู้ที่มีปัญญาไม่ได้มองชีวิตแค่ชาติเดียว2ชาตินะแต่มองไกลอย่างผู้ที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งมองไกลมากไกลถึงขนาดว่ามองสอสงไขยแสนกับ มองแปดอสงไขยแสนกับมองไปอีกส6บหอสงไขยแสนกับกนะต้องลงทุนอีกขนาดไหนกว่าจะได้ความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะรพุค น, นี้ก็สแสวงหาวิธีการเจริญกุศลโดยประการต่างๆเนี่ยนะอยู่ในฐานะอะไรตำแหน่งอะไรอยู่ตรงไหนก็พร้อมที่จะเจริญกุศลได้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องขวางกั้นว่ามีอุปสรรคขัดข้องอยู่เจริญกุศลยังไม่ได้นะท่านจะไม่มองว่าเป็นปัญหาเลยขนาด ขี่ช้างมาเนี่ยนะบอกขอช้างไม่มีข้อแม้เลยบอกเดี๋ยวเดี ย, ย ก, กลับบ้านก่อนอนะไม่ยกให้ไปเลยเนี่ยนะนพระราชาะนะย้อนมาดูอัตกถาที่กล่าวบอกว่าพระองค์ตอนตอนที่เป็นพระราชามีเชื่อว่าธ น, นชัยคำว่าพระราชาเนี่ยนะพระราชานี่โดยศัพ์แปลว่าคนที่ยินดีด้วยสังฆะวัตถุสี่ประการแปลว่าคนที่ยินดีในการบริจาคเนี่ย เพราะว่าพระราชานี่คืออะไรคือคนที่มากไปด้วยจาคะคนที่ตำแหน่งสูงสจริงๆเนี่ยคืออยู่เพื่อเพื่อจะให้เนี่ยนะอยู่ในตำแหน่งนั้ น, น, นเพื่อจะให้เป็นพระราชาเพื่อที่จะให้เนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยนะต่อไปท่านก็ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแนะนำสงเคราะห์ผู้อื่นเป็นต้นท่านอยู่ในสังขาวัตถุนั้นพระราชาคือผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วย สังฆะวัตถุเป็นใช้ชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์แก่คนอื่นพระองค์นี้ประพฤติอยู่ในกุศลกรรมรบท10ประการแสดงว่าเป็นพระราชาผู้มีความสะอาดทางกายวาจาและใจเนี่ยนะเป็นผู้ที่ประพฤติคอกคุณงามความดีด้วยกายวาจาและใจอันนี้เรียกว่าถ้ามองอยู่ที่พฤติกรรมเนี่ยนะก็ทวนอีกครั้งหนึ่งว่าบุญกุศลทุกชนิดเนี่ยนะทวารที่หลังออกมา สวรรที่หลังออกมาเป็นบุญก็คือกายวาจาและใจทีนี้ถ้าของที่ให้เป็นไปกับบุญละ่ะคืออะไรบ้างกายวาจาใจเหล่านี้มาแบ่งเป็นนีแบ่งปันยิยบยื่นข้าวของให้ผู้อื่นนะนี่เรียกว่าทานนะการห้ามไม่ให้กายวาจาเป็นไปกับบาปเรียกว่าศีลการเจริญกุศลธรรมเช่นมีเมตตาเป็นต้นเรียกว่าภาวนาเนี่ยนะเมตตาภาวนาเป็นต้น ขณะเดียวกันก็ยังมีการยกมืออ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อมเป็นต้นก็เป็นอปจิจญาณใหม่ช่วยเหลือกิจการงานคนอื่นที่ไม่มีโทษเนี่ยนะช่วยแบ่งเบาภาระผู้อื่นอันนี้ก็เป็นวิ ย, ยาวัจฉิไม่ยหม่ๆก็เรียกว่าพวกวิาว ย, ยาวัจกรเรียกว่าทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหลักเลยนะแล้วก็ต่อไปก็ยังมีการ ทำบุญเสร็จแล้วก็ไม่ตณีที่เหนียวในบุญโยกส่วนบุญไปให้แก่คนอื่นก็เรียกว่าปฏิทานทำมยกบุญที่ได้ทําไปแล้วให้แก่ผู้อื่นนะอย่างวันนี้ก็โยมเข้ามาถวายบุญวบบขอถวายบุญเนี่ยนะครับว่ายกบุญให้ให้อนุโมทนาบางันก็เรียกว่าปฏิทานทำไมก็เรียกวโยกส่วนบุญให้แก่คนอื่นขณะเดียวกันผู้ที่มีปัญญารู้ว่าบุญเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสุขก็ร่วมอนุโมทนาด้วยกับบุญที่คนอื่นได้กระทาลงไปเห็นะนะ ทีนี้บุญเหล่านั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยการฟังธรรมโดยนะที่จะได้จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่มีเป็นบุญเหล่านั้นได้นะจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นได้ก็อาศัยการฟังนะทีนี้ผู้มีฟังก็ต้องมีการแสดงมีการถ่ายทอดพัะการฟังก็เป็นบุญการให้ก็เป็นบะุญนะการแสดงธรรมก็เป็นบุญแต่บุญที่สาคัญมากที่สุดก็คือทิฏฐิชุกกรรม ถ้ามีผู้ตั้งคำถามว่าทิฏฐุชุ ก, กรรมเนี่ยนะทำความเห็นให้ตรงก็คือปรับทัศนคติที่ถูกต้องในบรรดาบุญทั้งหมดเนี่ยนะทิฏฐุชุกรรมสําคัญที่สุดทิฏฐิบวกอุชุบวกกรรมเนี่ยนะทิฏฐิก็แปลว่าความเห็นทัศน์หรือทัศนคตินั่นเองทิฏฐิ น, นะอุชุคือตรงกรรมก็คือแปลว่าทำทําความเห็นตัวเองให้ตรงก็คือปรับความรู้สึกนึกคิดให้สอดคล้องต่อ กดแห่งความจริงเนี่ยนะปรับความเห็นให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าเช่นว่าปรับความเห็นให้รู้ว่าการให้นี่มีผลการรักษาศีลมีผลการเจริญภาวนามีผลเนี่ยนะการอ่อนน้อมก็มีผลแล้วก็การช่วยเหลือกิจผู้อื่นก็มีผลการยกบุญให้คนอื่นอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อื่นก็มีผล การอนุโมทาก็มีผลการแสดงธรรมก็มีผลการฟังธรรมก็มีผลขณะเดียวกันทำความเห็นให้ตรง้วยท่ามไม่ให้ก็มีผลทํามไม่ให้มีผลไหมผลของมัดฉรยะมีไหมผลแล้วผลของความทุศีนก็มีผลของการไม่อบรมจิตไม่เจริญเมตตาเป็นต้นก็มีผลนะแม้กระทั่งว่าไม่อ่อนน้อมก็มีผล การไม่ช่วยเหลือคนอื่นก็มีผลก็คือทำความเห็นปรับความเห็นให้ตรงว่าปรับความเห็นให้ตรงในเรื่องกุศลแล ะ, ะกุศลก็คือมองเส้นทางของกุศลแล ะ, ะกุศลได้อย่างตลอดสายก็คือปรับทัศนคตินั่นแหละปรับทัศนคติทำความเข้าใจให้ให้ถูกต้องในในเหตุในผลของสรรพสิ่งทั้งหลายในคุณงามความดีในสิ่งที่ที่เป็นประโยชน์ขณะเดียวกันก็แยกแยะในสิ่งที่ มีโทษมองออกอย่างตลอดสายพันพระเจ้ากุรุเนี่ยนะพระเจ้ากุรุรัตหรือพระเจ้าธนชัยพระองค์นี้ก็ชื่อว่าเป็นพระราชาที่ปรับความเห็นของตัวเองได้อย่างถูกต้องเนี่ยนะปรับความเห็นถูกต้องเพราะความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยนะก็ต้องเป็นความเห็นที่มีจุดหมายความเห็นที่ถูกต้องต้องเป็นความเห็นที่มีที่จบไม่ใช่แตกตัวไปเรื่อยแตกเสร็จแล้วก็ควบคุมไม่อยู่ก็ไม่ใช่แต่เป็นความเห็นที่มี ที่จบที่จบของท่านคืออะไรท่านทำความเห็นว่าการที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องมีการเจริญกุศลเนี่ยนะท่านก็ทำความเห็นของท่านให้ตรงที่จบของความเห็นของท่านคือเรียกว่าที่พอใจที่สูงที่สุดของท่านคือสัพพัญยุตยานเนี่ยนะสัพพัญยุตยานนี่ดียังไงนะแล้วก็าสูตรอื่นนี่ก็บอกว่าคือท่านรักสัพพัญยุตยานมากที่สุดะนะอย่างอื่นท่านก็รักว่างั้นเถอะสราจะช้างท่านชอบไหม โลกในตอนนั้นนะ่ะนะชีวิตของเรื่องยานพาหนะก็ชอบช้างที่สุดแต่ว่าชอบสัพพัญยุตยานมากกว่ารัชสมบัติท่านต้องการไหมท่านยินดีไหมบอกยินดีแต่ว่าสัพพัญยุตยานดีกว่าคือทุกเรื่องเนี่ยนะไม่มีอะไรเสมอเท่ากับสัพพัญยุตยานในโลกทั่วๆไปบอกว่าห่วงแหนชีวิตเหลือเกินแต่ก็ยังรักไม่ได้รักชีวิตเท่ากับสัพพัญยุตยานไม่สัพพัญยุตยานนี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนอันนี้เรียกว่าฉันทะฉันทะที่มีต่อ สัพพัญญุตยานันท่านรักษาฉันทะตัวนี้ได้อย่างสม่ำเสมอไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยนะไม่ยอมเปลี่ยนใจเด็ดขาดว่างั้นเถอะอะไรจะเกิดขึ้นเปลี่ยนได้นะชีวิตเปลี่ยนได้นะเกิดใหม่ไงใช่ไหมแต่ว่าอัธยาสัยที่ยินดีในสัพพัญญุตยานเป็นต้นเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีอะไรทําให้ท่านเปลี่ยนได้การทําความเห็นให้ตรงนี่สำคัญที่สุดในโลกนี้นะคนที่เจริญกุศลได้มาก ได้เยอะได้บ่อยและต่อเนื่องคือคนที่ปรับความเห็นของตัวเองได้อย่างถูกต้องบั้นที่ถูกชุกกรรมทำความเห็นให้ถูกให้ตรงปรับทัศนคติเนี่ยเป็นบุญที่สูงที่สุดใครเคยเข้าใจบ้างไหมว่าปรับความเข้าใจเนี่ยบุญที่สุดในโลกไม่มีบุญใดที่จะมีอาจจะยิ่งใหญ่เท่ากับปรับความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องกับคําสอนเนี่ยนะนะหรือปรับความเข้าใจให้สอดคล้องต่อความเป็นจริง อันนะปรับความเข้าใจให้สอดคล้องต่อหลักอริยสัจเนี่ยนะการปรับความเข้าใจความรู้ความเข้าใจนีถือว่าเป็นเป็นบุญที่สูงมากเลยนะถ้าไม่มีบุญตัวนี้ถ้าไม่มีการปรับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องที่แท้จริงบุญอย่างอื่นก็เป็นอันลดลงไปพระเจ้ากูรุรัตพระองค์นี้เนี่ยนะอยู่บนพื้นฐานคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยนะ มโนกรรมข้อสุดท้ายคือสัมมาทิฐิกับมิจฉาทิฐิเนี่ยเป็นมโนกรรมเป็นกรรมที่สําคัญมากสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เจริญกุศลก็เพราะมิจฉาทิฐิเป็นปัจจัยสัตว์ทั้งหลายที่เจริญกุศลก็เพราะสัมมาทิฐิเป็นปัจจัยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยลักษณะอะไรถือว่าอยู่เฉยๆมีผลไหมเห็นไหโลภะเขาบอกว่าโลภะก็ไม่มีผล บางคนก็บอกว่าเขาไม่บาปเพราะเขาไม่เบียดเบียนใครเขาบอกเขาเนี่ยเขาอยู่เฉยๆเขาไม่ได้เบียดเบียนใครพันเขาไม่ได้ทําบาปอะไรเลยเชื่อไหมเขาเบียดเบียนตัวเองอยู่การไม่เจริญกุศลชื่อว่าเบียดเบียนตนถึงขณะนั้นไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นก็จริงอยู่ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็จริงอยู่แต่ว่าเบียดเบียนตนเพราะใช้ชีวิตแบบเปล่าประโยชน์ เพราะไม่สร้างเหตุแห่งความสุขความเจริญต่อไปเขาไม่ได้เบียดเบียนตัวเองขณะนี้จริงแต่ว่าเบียดเบียนตัวเองในอนาคตเนี่ยนะเบียดเบียนตัวเองต่อไปในอนาคตเพราะนั้นความรู้ความเห็นว่าอะไรมีผลอะไรไม่มีผลอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมการปรับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยนะแล้วก็ในบรรดาผู้ที่ศึกษาธรรมะระดับสูง หรือแม้กระทั่งศึกษาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ศึกษาอริยสัจเป็นต้นเนี่ยนะจะอะไรก็ตามเนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่สุดเนี่ยคือการปรับความรู้ความเห็นปรับความเข้าใจสําคัญที่สุดถ้ามีการปรับความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องการปฏิบัติธรรมก็ถือว่าถูกต้องเนี่ยนะสัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็จะเกิดได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าปรับความเข้าใจที่ผิดปรับทัศนวิสัยที่ผิดอะไรจะเกิดขึ้น สมมติว่าอย่างเหมือ น, นตาเนี่ยนะการปรับความเห็นอะไรสูงอะไรต่ำนี่สำคัญมากเลยใช่ไหมถ้าพูดถึงสายตาเนี่ยนะถ้าปรับสายตาได้ไม่ถูกต้องอะไรจะเกิดขึ้นสายตายาวสายตาสั้นสายตาเอียงสายตาเขเลลเป็นต้นพวกนี้มีผลต่อการการเดินขันใดทางใจก็เหมือนกันทัศนคติความรู้สึกนึกคิดอนนความรู้ความเห็นสาคัญที่สุดชีวิตของเราอนาคตต่อไปจะเจริญจะเสื่อม จะตกนรกจะขึ้นสวรรค์ก็อยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่ทัศนคติถ้าทัศนคติที่ไม่ดีในที่สุดนำมาซึ่งการล่วงอากุศลกับมาบทถ้าพื้นฐานผู้ใดเป็นไปกับมิจฉาทิฐิในที่สุดบุคคล น, นั้นไหลไปสู่การฆ่าจนได้